ประวัติหลวงปู่ล่าเขมมาปัดโตมวลที่หนึ่งคำนำหนังสือชีวประวัติเล่มนี้แรกเริ่มคุณอินถวายมาลองขอข้าพเจ้าหลายหลายครั้งดังรายละเอียดในรูปเล่มคั้นต่อมาพวกอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธศาสนาทางพระนครหลวงกรุงเทพได้มาวิงวอนล้องขอข้าพเจ้าให้อนุญาตจัดพิมพ์ข้าพเจ้าได้ก็เข้าใจได้ว่าคงเจตนาจัพิมพ์จริง ข้าพเจ้าจึงได้อนุญาตเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมะบ้างไม่มากก็ น, น้อยส่วนการติชมของชาวโลกนั้นเป็นธรรมประจำโลกอยู่แล้วไม่ขาดเลยแต่ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าไม่ให้ขี้ขาดต่อความดีของตนอันจะพอทำได้ให้ขี้ขาดต่อความชั่วอย่าได้อาจหานล่วงละเมิดเมื่อมานึกถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็เบาใจได้ปัญญาเกิดขึ้นมาที่ดวงใจให้คํานึงมีใจพอพึงอนุญาตให้ตีพิมพ์ บรรดาท่านผู้จะพิมพ์หนังสืออันเกี่ยวกับธรรมะปีไว้เพื่อเป็นคติมากเล่มน้อยเล่มก็ดีเป็นของหาได้ยากเพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้างเกี่ยวกับไม่มีศรัทธาบ้างและก็เป็นของหาได้ยากอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งธรรมดาชีวประวัติเจ้าพุทธแล้วจะทุกข์จนค้นแค้นในด้านอามิ t h ลาภยศสรรเสริญสุขสักเพียงใดก็ตามทีแต่ถ้าหากว่ามีความประพฤติดี สัมมาอาชีวะชอบก็สมฐานะของชาวพุทธอยู่มีชีวประวัติคุณค่าสูงเสียชีพดีกว่าเสียสัตว์เสียชีวประวัติก็เสียชีพดีกว่าแท้จริงชีวประวัตินี้จะเขียนหรือไม่เขียนมันก็มีอยู่ในตัวทุกๆ ท, ท่านเพราะความลับไม่มีในโลกนักติโลเกละโหโนามาแต่เขียนไว้ดีกว่าไม่เขียนท่านผู้ชอบอ่านก็จะได้อ่านผู้เขียนประวัติของตนเองยังไม่มลนภาพนั้น ยิ่งดีเพราะมีโอกาสให้ผู้อื่นคัดค้านได้ทุกเมื่อสำหรับคำจริงแล้วไม่พูดอีกก็จริงอีกเมื่อยิ่งพูดก็ยิ่งจริงท้ายเหงนคำนำโดยย่อหนีด้วยเดชพระพุทธศาสนาจงเป็นสุขทุกทักท่วนหน้าทั่วทั้งไตโลกาอยู่ทุกเมื่อเทินพระล่าเขมมปัตโตคำนำเพิ่มเติมทุกวันนีมีไสยศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าพวกลูก เหรียญล็อกเก็ตแขวนคอเหล่านี้สําหรับตัวของข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีด้วยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและองค์หลวงปู่มั่นก็ไม่ส่งเสริมด้วยครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มหาบัวก็ดีไม่ส่งเสริมและสิ่งเตียงฝ่ายที่เคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เคยเอาหลวงปู่มั่นไปอ้างยิงว่าเป็นอาจารย์ของตนแล้วก็ทําลูกทําเหรียญขึ้นรุ่นนั้นรุ่นนี้แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสมาก ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรสีมหาสมุทรก็ตามย่อมไม่ยินดีด้วยทั้งนั้นเมื่อเป็นดังนี้เมื่อท่านผู้ใดทําลูกทําเหรียญข้าพเจ้าไปขายก็ดีหรือเอาไปแจกฟรีก็ดีข้าพเจ้าไม่ยอมอนุญาตให้เป็นอันขาดถ้าใครฝืนก็จะขออารักขาต่อทางกาันถ้าไม่ฟังก็เอาเรื่องตามกฎหมายของบ้านเมืองเพราะทุกวันนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องเหล่านี้มาก ข้าพระเจ้าเข้าใจว่าได้ผู้เล่นสายศาสตร์มาเป็นพักพวกล้านๆคนก็ไม่เท่าได้ผู้ถึงทำแท้มาเป็นพักพวกคนเดียวปาลบน้อยไม่พออธิบายปาลบหลายหาว่าอวดดีจองหองถ้าความเห็นของข้าพระเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิก็มอบให้ทุกข์กับส ม, มทสุทัยซะแต่ถ้าหากว่าเป็นสัมมาทิฐิก็ทูลถวายต่อมรรคกับมิโลดส่วนตัวข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ถอนไม่ออกเสียแล้ว จะว่าอุปท า, านก็ยอมรับยุคสุดท้ายบ้านหนองผือสกล น, นครข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมองค์หลวงปู่มั่นสี่พันสาติดติกันคือสองสี่9ปดเก3หนึ่งสองสจนถึงชาปนกิจองค์หลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยในปีพศสะ 2, 4, 9, อง4 9่เกสหลวงปู่มั่นไม่มีปฏิปทาไส ย, ยศาสตร์ทาลูก ทำเหรียญล็อกเก็ตเครื่องรางของขลั ง, อ, ง, อ, งอยู่ยงคงกระพันและวิชาสเสน่วิชาหุงผลอดเหล่านี้ไม่มีในองค์ท่านเลยจึงลงไปปักใต้กับองค์หลวงปู่เทศสามพันษาแล้วกลับขึ้นมาจําพรรษากับองค์หลวงปู่มหาบัวยุบบ้าน้วยตายอีกสามพันษาเข้าอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นสี่พันษาติดติดกันนั้นจนถึงชาปนกิจถ้าจะบวกกันเข้าก็คล้ายๆสี่ปีกว่ามีองค์หลวงปู่มหาบัว เป็นมือขวาขององค์หลวงปู่มั่นควบอยู่ด้วยให้เข้าใจว่ายุคบ้านนองถือนั้นองค์หลวงปู่มั่นไปอยู่ก่อนหนึ่งพันปาแล้วคือพศสองสี่แปดเก้าติดต่อกันจนถึงชาปนกิจสองสี่เก้าสามดังกล่าวแล้วนั้นมีองค์หลวงปู่มหาบัวเป็นพยานได้เมื่อเป็นดังนี้ถ้าข้าพเจ้าปีนเกลียวส่วนนี้ก็เท่ากับว่าข้าพเจ้าเอาหัวองค์หลวงปู่มั่นมาเหยียบเล่นจริงไหมเทวดาเอ๋ยหลวงปู่ลากเข็มมะปัดโต ข่าวอารมณ์ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสมากไม่พ้นทุกข์ง่ายเลยพอข้าพเจ้าเห็นรูปูๆเหลือรียญๆของหลางของฝังเกจิอาจารย์ต่างๆซึ่งกําลังประชันขันแ ข, ข่งกันในข่าวหนังสือต่างๆดังอย่างนั้นดังอย่างนี้ข้าพเจ้าอยากจะอาเจียนออกมาและหลงแลบลิ้นออกมาแล้วก็ขออภัยต่อแดดต่อลมที่ใช้มารยาชอันไม่งามต่อดินฟ้าอากาศคงจะเป็นเพราะเพ่งออกนอกไม่โอปันนดิโก น้อมสอนตนนานาจิตตังนานาธรรมังในเพศผ้าเหลืองนี้มีมากมายแท้แท้ข้าพระเจ้าเอาทิฏฐิของโลกมาป้อนทิฏฐิตนเองอย่างนี้คงเป็นเพราะคนผานย่อมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังแต่ไม่ได้อ้างบาลีเลยนะและก็เมื่อพุทธาพิเศษกินขนมและเอาตังเขาและอ้างว่าสงเคราะห์ผู้ใหม่เพื่อได้ทําบุญบ้างแต่เมื่อผู้ใหม่ติดนิสัยแล้วก็แกะไม่ออกเลยไม่รู้ว่า ความหมายของพระพุทธศาสนานี้เป็นรสชาติอย่างไรเป็นเพียงลวงคนโง่ให้จมดิ่งลงไปหรือประการใดก็สราบยากนักแม้ตนเองก็จะพลอยจมดิ่งด้วยวัตถุนิยมที่ได้มาในทางปีนเกลียวของพุทธแท้ทาแทะสงแท้นี้ก็สอให้บรรดาปราจุให้ธรรมะวิจยะสอดส่องว่าพระพุทธศาสนาทรงศักดิ์สิสูงกว่าโลกเป็นไหนไหน ทำไมบรรดาท่านผู้ปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาใจจึงไม่รักษาเกียรติไว้บ้างยอมตัว ต, ต่ำช้าหาเลี้ยงชีวิตปีนเขียวทมวิเนยของพระองค์ที่ทรงบัญญัติไว้จนดูไม่ได้เล่าขอให้แดดลมเอ๋ยช่วยตอบเถิดด้านมรรคผลนิพพานก็คงจะทรงพันนิพพานอยู่ตามเคยหาได้ยอมสละลงมาเล่นกับสนามบ้ากิเลสไม่บ้ากิเลสก็คงไม่มีวันจะรู้ตัวรู้ใจรู้ทําได้ไง่าย เคยเดินวนเวียนอยู่หรือวิ่งอยู่ตามถนนสายโลกสายโกดสายหลงสอบได้ปริญญาเอกแบบได้คะแนนเต็มชั้นที่หนึ่งเสมอกิเลส ช, ชวนเขียนก็เป็นบ้าเขียนเมื่อรู้เท่าบ้าแล้วบ้าก็คงละอายบ้างกังเพระบรมศาสดาเมื่อรู้เท่ามานแล้วมานก็หายวับไปในที่นั้นแต่เรารู้เท่าสัญญาความจําความจําก็คงเบาจากอุปาทานแล้วอุปาทานไม่มีในปัจจุบันแล้ว อุปาทานในอดีตอนาคตก็ต้องหายไปหนะ้าที่นั้นเองที่นี้เองละนะอนิจจาแล้วก็ว่าตามเป็นจริงแล้วเราจะยึดถืออะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามันล่วงไปเองไม่จําเป็นเราจะไปสมมติให้มันเกิดดับมันเกิดดับของมันเองแต่มีหน้าที่รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นเองหลวงปู่ล่าเขมมปัตโตณนะโมเมสัพพพุท ธ, ธานังณนะโมเมสัพพสัจะ ธ, ธ, ธ, ธรร ม, มานัง ณนะโมเมสัพพะสังคานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอริยสัจธรรมและพระอริยสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นละลึกได้ไม่ละลึกได้ก็ดีขอปูกขาดจองขาดเขารบนอกน้อมอยู่ในการทุกเมื่อเอาเป็นที่พึ่งที่ละลึกที่ปฏิบัติบูชาเพื่อดับทุกข์ทั้งพวงโดยไม่เหลือในปัจจุบั น, นชาตินี้เทิด ดูก่อนท่านผู้ใจสูงทำสูงทุกท่วนหน้ามาแรงผู้แมลงพึ้งไม่เบื่อหน่ายล่าเริงบันเทิงใจในเกสอนดอกไม้ฉันใดบรรดาท่านผู้ใจสูงทำสู ง, สงก็ไม่เบื่อไม่ไหน่ายย่อมล่าเริงบันเทิงใจบันเทิงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปิดเผยไว้แล้วอันหนึ่งอันว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลย เรื่องทุกจิตทุกใจนานาอันเมกเพิ่มเข้าอีกเล่าก็ย<อ>ิ่<อ>งเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นอีกหาประมาณไม่ได้เมื่อยังไม่มียานอันท่องแฉว่าคนทุกข์ในสงสารจะสำคัญตัวว่าเป็นสุขสัตเพียงใดก็ตามก็<อ><อ>เป็นเรื่องโกหกพกลงตนเองอยู่โดยตรงแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยมิหนำซำ้ำเป็นวิชาทำตัวให้เป็นหมันอีกด้วยเพราะวันเวลาชีวาล่วงไปไม่กลับหลัง กรรมนิยมกรรมบรรดาลปูกมัดรักไวให้กลายเป็นทำเมาทำมัวไปพระอาหารหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นจะอยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปได้เหลือนอกนั้นยังเป็นธาตุอยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นแต่กรรมและผลของกรรมนั้นว่าโดยย่อจําแนกออกเป็นสองเป็นโลกียกรรมหนึ่งเป็นโลกุตตะกรรมหนึ่งโลกียกรรมนั้นแบ่งออกเป็นหลายจําพวกเป็นพวกมนุษย์ก็มี เป็นสัตว์เดลฉานก็มีเป็นเปรตก็มีเป็นสัตว์นรกก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีสารพัดจากปัญญาให้จบได้เพราะมากมายนะักส่วนที่เป็นโลกุตตะลกรรมมีอยู่เจ็ดจำพวกนับแต่พระโสดาปัติมารไปจนถึงพระอรหัตตะมักเว้นพระอรหัตตผลเสียเมื่ออยู่ใต้กรรมและผลของกรรมแล้วผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทแล้วเรียกว่า ได้รับขุมต้นคือขุมศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและก็จะรู้จักเลือกเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเพราะได้ดวงตาดวงปัญญาดวงธรรมแล้วขุมซัพย์ภายในขุมอื่นอื่นก็เปิดประตูลับไปในตัวศรัทธาที่ประกอบกับปัญญาสมดุลจึงเป็นอริยะศรัทธาเบื้องสน้นพรมัญจนของพระพุทธศาสนาเป็นศรัทธาปัญญาที่บรรจงก้าวหน้าด้วยศรัทธา และปัญญาที่สมดุลกันเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากปัญหาโลกปัญหาโกดปัญหาหลงของตนที่ดองสันดานมานมนานศรัท ธ, ธาและปัญญาชั้นนี้เป็นอาวุธพอที่จะต่อสู้กับความหลงชั้นกลางได้บ้างแล้วต้องเอาออกใช้เสมอเสมอไปความหลงนับวันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมูลเหตุแห่งการเขียนประวัติชีวัวิสัยที่นิยมใช้กันในโลกโลกว่าเราเราท่านทาน่เขาเขา บันนี้ได้ล่วงการผ่านเวลามาถึง70ปีเข้าแล้วถอนตัวมาปฏิบัติฝ่ายทุดงคขวัตตั้งแต่ปี2488จึงถึงเวลาที่กำลังเขียนอยู่นี้เป็นวันที่ลงมือเขียนคือวันที่8สิงหาคมพศ .2524 แล้วพรรษา36ย่างล่วงมาผ่านกองทุกมาหน้าสังเวชเป็นเหตุให้นึกคำหนึ่งถึงการเขียนจีวประวัติและก็มีพระภิกษุอินทวายสันตุสโก หาสมุดมาไว้ให้เขียนตั้งหลายหลายเล่มพร้อมทั้งนิมนต์วิงวอนให้เขียนด้วยที่เธอหาสมุดมาให้ก็เป็นเวลาล่วงมาสองสามปีแล้วและก็มีคุณเวินที่จําพรรษาอยู่ด้วยมาได้หลายปีได้กล่าวว่าท่านอาจารย์อินถวายมาเยี่ยมคราวใดก็ได้ถามกับผมอยู่เสมอว่าองค์ท่านเขียนแล้วหรือยังกระผมตอบว่ายังไม่ทําได้เอาใจใส่เขียนเมื่อเป็นดังนี้เหตุผลในการเขียนก็จวนตัวผู้เขียนเข้ามา และคุณอินถวายเลาก็ได้บวชอยู่กับเจ้าตัวได้รับทุกข์ลำบากมากในยุคต้นของปูเจ้าก่อมาติดติดกันเก้าพรษาและโยมบิดาโยมมารดาของเธอพร้อมทั้งวงตระกูลของเธอด้วยก็ปฏิบัติได้ชิดกับภิกษุสา ม, มเนียนฝ่ายปฏิบัติมานมนานด้วยนับแต่ยุคห้วยใายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาจนถึงปัจจุบันยุคปู่เจ้าก่อนี้ถ้าไม่บรรยายมาบ้างก็คล้ายๆกับว่า จะแอบได้แอบเสียในประวัติของตนยกหางตนเองขึ้นเหมือนโคและกระเบือถ่ายอุจจาระออกแต่ก็ต้องยอมเสียสละการติชมก่อนจึงจะลงมือเขียนได้ถ้าหวังจะแบกการติชมไปพระนิพพานด้วยหลังก็จะหักตายเกิดคาโลกอยู่ไปไม่ได้การเขียนประวัติของตนเองพร้อมทั้งเผ่าพงวงตระกูลของตนที่ผ่านมาในสงสารเฉพาะปัจจุบันนชาช้านับแต่รูเดียงสามาคงไม่เหลือวิสัยอะไรนัก ทั้งจะได้เพิ่มทำสังเวชเข็ดลาบในชาติชพบๆบเพิ่มขึ้นพระบรมมาสสดาละลึกชาติได้โดยไม่ยากตั้งล้านอสงไขพระอรหันตสาวก ส, ส, สาวิกาจำพวกบุเพรนิวาทก็ดีก็ระลึกได้ตั้งหลายๆกับหลายๆลายกันเราเพียงแต่จะระลึกแต่รู้เดียงสามาจนถึงแก่กลักลักหลันหลันบ้างก็ถือว่าเหลือวิสัยเสียแล้วอันหนึ่งท่านผู้อื่นเขียนประวัติของเราย่อมถูกบ้างผิดบ้าง แต่ต้องผิดนั่นแหละเป็นส่วนมากเพราะไม่ได้ติดตามกันอยู่ทุกอิริยาบถของกายวาจาจิตเพราะสมัยนั้นนั้นยุคนั้นนั้นเจตนาของจิตเจตสิกตั้งไว้อย่างไรบ้างก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของประวัติเจ้าของประวัติเขียนเองก็รับผิดชอบได้สนิทมอบบาปบุญคุณโทษไว้กับเจ้าของประวัติซะวงะกูลฝ่ายบิดาหันมาปาลบวงะกุลฝ่ายบิดาเป็นคนชาวนา ปูท่ทวดย่าทวดได้มอลลาเสียแล้วส่วนปู่นั้นชื่อปู่นามหุงนามสกุลสเวีวงศ์อยู่บ้านมอยอําเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีมณฑลอุดรเพราะสมัยนั้นเป็นมณฑลแต่คุณปู่คงเกิดก่อนตั้งเมืองอุดรมานมนานแล้วพี่ชายของคุณปู่ชื่อธรรมมวงศ์น้องชายของคุณปู่อีกคนชื่ออังน้องชายของคุณปู่อีกคนชื่อเท่าขี่คุยแต่ชื่อจริงของท่านแท้ไม่รู้ได้ คุณย่าชื่ออะไรก็ไม่ทราบได้คุณย่ามรณะไปข้าพเจ้ายังเล็ดอยู่วงตระกูลของคุณย่าก็ไม่จับได้และก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เรียนถามบิดามารดาไว้และก็ต้องยอมรับว่าโง่โงเง่าเ ง, ง, ง่าที่ล่วงไปแล้วคุณปู่คุณย่ามีบุตรร่วมกันสิบคนชายห้าหญิงห้าคนที่หนึ่งคือ น, นางอ่อนสีมีลูกสามคนคุณป้าอ่อนสีมีอายุยืนแปดสิบปี คนที่สองชื่อนางคำมีมีบุตรสี่คนคนที่สามชื่อนางเป้มีบุตรห้าคนคนที่สี่เป็นโยมบิดาของข้าพเจ้าชื่อว่านายคูนเสวตวงศ์หรืออาจารย์คูนก็เรียกท่านมีบุตรแปดคนหญิงห้าคนชายสามคนคนที่หนึ่งชื่อว่านายสิงห์คนที่สองชื่อนางศรีดาคนที่สามชื่อนายทองดีผู้ใหญ่บ้านทองดีก็ว่าคนที่สี่ชื่อนางบุญมีคนที่ห้าชื่อนางจันตี คนที่หกชื่อนางแก้วคนที่เจ็ดชื่อนางแหวนคนที่แปดคือข้าพเจ้าผู้เขียนนี้เองแปลว่าข้าพเจ้าเป็นลูกคนสุดท้องของมารดาให้เข้าใจว่าลูกทั้ง8ดคนนี้สี่ปีเป็นระยะระยะจึิงเกิดร่วมกันคราวหนึ่งแต่ปัจจุบันที่เขียนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพียงพี่สาวสองคนเท่านั้นคือพี่แก้วกับพี่แหวนแต่ก็ต่างคนก็ต่างแก่ตามธรรมชาติของธรรมฝ่ายสังขาร อายุไขเทียบได้กับเวลาสายันตะวันเย็นลิปหลีลิปหลีลงรับขอบภูเขาหรือขอบฟ้าถ้าสติปัญญาไม่กล้าเหนือไปจากความที่ว่าหลงหลงไหลไหลต้องตายคาตะไรเหี้ยแลลูกของคุณปู่ผู้อันดับห้าชื่อนายบุญหรือกำนันบุญก็ว่ามีบุตรสี่คนลูกคุณปู่คนที่หกชื่อนางลุนมีบุตรเจ็ดคนลูกของคุณปู่คนที่เจ็ดชื่อนายปานหรือกำนันปานมีลูกหนึ่งคน ลูกของคุณปู่คนที่แปดชื่อนายด้วงมีบุตรสามคนลูกของคุณปู่คนที่เกชื่อนางแสงมีบุตรห้าคนลูกของคุณปู่คนที่สิบคือนายล่างหรือผู้ใหญ่บ้านล่างมีบุตรสี่คนที่ปาลบฝ่ายโยมของบิดามานีถ้าจะบรรยายถึงลูกๆหลังหลานเหเหลนยของท่านให้ละเอียดแล้วก็จะไม่ได้จบสิ้นโดยง่ายแม้จะเป็นเชื้อสายวงน้อยและวงใหญ่สับเพียงใดก็าตามก็ไม่พ้นแตกสลายตา ย, ตายไป เมื่อไม่พ้นจากกรรมก็ต้องอยู่ใต้กรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งนั้นเมื่อกิเลสยังไม่จบสิน้นก็จะได้มาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นญาติกันในทางกิเลสทั่วทั้งสัพพะไตรโลกาอยู่นี่แลที่กล่าวมาก็พอให้เป็นหลักสมดุลกับการเขียนประวัติบ้างเท่านั้นจะเอาอดีตอนาคตปัจจุบันไปพระนิพพานด้วยย่อมเป็นไปไม่ได้ที่มักอ้างมักอาศัยปัจจุบันเป็นมักภาวนา เอาเป็นตัวศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันทันเวลาก็เพื่อไม่ให้สงสัยภาวนาเลี้ยงแบบอยู่นั่งสือภายนอกจะ ก, กลายเป็นงมปานอกแผนนอกอวนชวนให้สงสัยไปทางนอกจะไม่รู้จักวิธีเดินทางแห่งมักจิตมักใจมักสติมักปัญญาจึงได้เอาจิตเอาธรรมพร้อมทั้งสติปัญญาในปัจจุบันเป็นเหลือเป็นแพแจวข้ามฝาาความหลงเมื่อข้ามได้แล้วย่อมไม่ติดผู้รู้อยู่ทั้งอดีต ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะไม่ได้ไปพ้นจี้เอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาเป็นตัวตนให้เป็นกังวลเพราะทอดอาลัยด้วยยานอันทองแท้สลัดพื้นแล้วพร้อมทั้งถอนอาลัยอยู่ในตัวการทะเยอทยานในอดีตอนาคตปัจจุบันที่เรียกว่าตัณหาก็ดับลงไปขณะเดียวพร้อมๆกันในตัวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงจา้า มืดนั้นแลนาก็หายไปพันธันการถ้าจะปาลบแต่วงสาคนาญาติไม่มีธรรมเป็นบทบาทมาว่าบางังก็ดูว่าไปหน้าเดียวเตลิดเปิดเฟิงใจไม่บันเทิงเพราะเป็นเรื่องโลกโลกท่านผู้มีปัญญามาอ่านพบเข้าก็จะหัวเลาะยะว่าเรื่องการเขียนและการอ่านก็คงออกมาจากกายสังขารวัชีสังขารจิตตะสังขารทั้งนั้นพะนิพา น, านมีได้มาอ่านด้วยมีได้มาเขียนด้วย เพราะม่ได้รับช้ยสังขารใดๆขออภัยท่านผู้อ่านมากๆเรื่องวงตระกูลฝ่ายบิดาสำหรับโยมบิดาของข้าพเจ้าท่านมรณะก่อนโยมมารดาสามปีท่านเป็นโรคชราอายุย่างเขแปดสิบปีท่านไม่กระวนกระวัยตอนหัวค่ำในวันนั้นลูกทั้งหลายล้อมท่านที่นอนป่วยอยู่ท่านสั่งว่าอะไรอะไรพ่อกระได้สั่งไว้แล้วลูกๆอย่าได้ทะเลาะ ก, กันวันนี้เองคืนนี้เอง อย่าพากันมาลบกวนให้พ่อกินน้ำพากันอยู่นิ่งๆพ่อจะนอนภาวนาแล้วถ่ายไว้แต่หวัวค่าว่าส่องแสงเงินแสงทองในตอนเช้านี้พ่อจะตายนีหมายความว่าถ่ายแต่หัวค่ำคืนนั้นเพราะเหตุว่าพ่อรู้ในตัวของพ่อแล้วธรรมดาคนชราเมื่อเสล็จขึ้นพันคอแล้วไม่มีกําลังขาดอกก็ต้องตายลูกเขยที่นี้ส่วนลูกทั้งหลายมีข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าสมัยนั้น ข้าพระเจ้ายังไม่ทันบวชมีครอบครัวอยู่และในคืนวันนั้นเองบิดานอนตะแคงข้างขวาไม่กระดิกตัวเลยตลอดล่งพอถึงเวลาที่ท่านนัดหมายท่านก็เงียบไปเลยไม่กระดิกตัวให้ปรากฏในส่วนกายอันใดเลยแม้แต่นิดเดียวลูกทั้งหลายที่จ้องดูอยู่จนไม่เห็นพิรุษท้ายคนหลับไปเลยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านได้ทราบข่าวว่านาอัศจรรย์นักข้อที่ควรเขียนพิเศษ ข้าพเจ้าเป็นลูกคนสุดทองไม่เคยเห็นบิดาดื่มสุราไม่เคยเห็นเครื่องดักสัตว์น้ำสัตว์บกไว้ในตัวท่านเลยแต่เป็นคนไม่รวยและไม่ยอมเป็นหนี้ใครผู้ที่ท่านรวยรวยสมัยนั้นธรรมดาคนบ้านนอกมีเงินเหรียญบาทในสมัยนั้นหนึ่งมื่นบาทก็เล่าลือว่าเป็นคนรวยที่สุดในสมัยนั้นแต่สำหรับบิดาของข้าพเจ้ามีเงินเพียงร้อยบาทเท่านั้นแต่ชอบให้ทานที่สุดผู้มีเงินหมื่นบริจาคทานห้าบาท บิดาของข้าพเจ้าจนๆก็ได้ให้ทานห้าบาทด้วยเหมือนกันในครอบครัวของบิดาข้าพเจ้าถ้าไม่ได้ใส่บาทวันหนึ่งก็จะทะเลาะ ก, กันวงตระกูลฝ่ายมารดาย้อนมาปาลบเผ่าพงวงตระกูลของโยมมารดาท่านเป็นคนอำเภอปรักธงใจจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนชาวนาต้องๆแม้วงของโยมบิดาก็ดีมารดาก็ดีเป็นลาวละวะอย่างเต็มภูมิพูดยี่สิบไม่เป็นพูดเป็นแต่เศร้า หมายความว่าในการนับแต่ตาทวดยายทวดนั้นไม่รู้ประวัติเสียแล้วเพราะไม่ได้เรียนถามท่านไวรู้จักแต่ชื่อคุณตาและคุณยายเท่านั้นโยมคุณตาชื่อพิเศษโยมคุณยายชื่อตุ้มแต่ไม่รู้จักนามสกุลโยมคุณตาโยมคุณยายมีบุตรด้วยกันหกคนคนที่หนึ่งชื่อนางหนูคนที่สองชื่อนางคาคนที่สามชื่อนางแผนคือโยมมารดาของข้าพเจ้าคนที่สี่ชื่อนางห่วง คนที่ห้าชื่อนางขานคนที่หกคือนางล่าพอนางล่าโตมาพอคลานเป็นคุณโยมยายก็มรณะไปเสียแล้วในขณะนั้นโยมป้าหนูผู้เป็นลูกหัวปีก็มีอายุราวสิบเก้าปีเมื่อโยมคุณตาทําชาปนกิจพร้อมทั้งทาบุญอุทิศถึงโยมคุณยายที่มรณะไปเสร็จสิ้นแล้วจึงคํานึงว่าเราจะอยู่บ้านดูลงนานี้ต่อไปก็ดูว่า อนาคตแผ่นดินจะขับแคบและเวลานี้จนผู้หลายก็ชุกชุมในอนาคตเราก็จะชุกชุมหนักขึ้นอีกเราทราบอยู่แล้วว่าทางเหนือบ้านมาแข้งคือ่ายมีที่ดินกว้างขวางวังเวงมากมายนะักเราขายไล่นาเลือกสวนบ้านช่องแล้วพาลูกโยกยายขึ้นไปอยู่เห็นจะเป็นการไม่ฝืดเคืองในอนาคตมากกรังเมื่อโยมคุณตาตกลงใจดังนี้แล้วก็ขายของทอดเทแบบลดราคา พาลูกสาวทั้งหกคนหาเอาของที่พอหาได้เดินด้วยสีเทาบานแต่สแสแลกขาดผู้มรณะไปก็ยังไม่ทันนานอ น, นิจจตาธรรมตามนำทำให้วิโยกจิตใจโศกคิดคล้อยละห้อยหวนมีแต่ทุกข์ทั้งมวลในสัพเไตายโลกาผู้กำลังเขียนอยู่นี้นาเป็นบุตรหลานของท่านอารมณ์อันน่าสังเวชมาผ่านก็ยิ่งปรากฏคุณบิดามารดาปู่ย่าตาใหญมีพระคุณมากหลายอเนกอันต์ เทียบกับพระคุณของพระอาหารหันต์ก็ได้ไม่ผิดพระบรมมาสดาเป็นพระมหาบัณฑิตได้กล่าวไว้แล้วปลงใจเชื่อแล้วพร้อมทั้งยกธงเขาไม่มีวันจะกล่าวลบหลู่ดูแคลนฝังใจลงแน่นเท่ากับภูเขาหลวงจนลู้ล่วงถึงซึ่งฟรรานิพานไม่หวังเนิ่นนานในปัจจุบันาชาติแลหันมาต่อเรื่องโยมแม่กับโยมคุณตาพาครอบครัวโยกย้ายใบยหน้าขึ้นมาทางเหนือด้วยผีเทา้า โยมป้าหนูผู้เกิดหัวปีหาเอาของอันพอจะเอาได้โยมป้าคำอุ้มเอานองผู้ชื่อวราพอคานเป็นนั้นผัดเปลี่ยนกันกันกบมารดาของข้าพเจ้าผู้ชื่อนางแพงซึ่งขณะนั้นอายุรหลาสิบสองปีเท่านั้นสิบห้าคืนสิบห้าวันจึงถึงถิ่นอุดรที่เรียกกันว่าค่ายมากแข้งหมายเหตุคำว่าค่ายมากแข้งนั้นเพราะสมัยนั้นยังไม่ทันใส่ชื่อจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้น อยู่ห่างจากอุดรปัจจุบันไปทางทิศเหนือประมาณสิบกว่ากิโลเมตรก็เลยตั้งบ้านอยู่ที่นั้นได้ชื่อว่าบ้านกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนบัดนี้โยมคุณตาได้สงวนที่ดินไว้หลายร้อยไร่และสงวนเลี้ยงโคและกระบือไว้เป็นจํานวนร้อยกว่าตัววัดบัวบานบ้านกุศะอันสืบมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นที่ดินของโยมคุณตาทั้งนั้นโยมคุณตาเข้าใกล้ชิดวัดอย่างโชคชนตลอด เกี่ยวกับปัจจัยสี่บ้านของวงศ์ตะกูนี้ก็อยู่รอบวัดทางทิศใต้และทิศตะวันตกของวัดเป็นส่วนมากพอบ้านกุษะนั้นจเจริญขึ้นเพราะทะยอยกันมาจากโคราชอำเภอปักธงชัยอีกก็มากมาจากที่อื่นก็มีกลายเป็นตำบลมีหลังคาเรือนประมาณสองร้อยหลังเจ้าอาวาสได้เป็นอุปัชฌาย์มีผู้เขารบนับถือโด่งดังในสมัยนั้นเป็นมหานิกายนิยมเรียนมูลเดิมและเทเไปลาน ปาลบเรื่องติดต่อกันไปอีกว่าลูกสาวของโยมคุณตาทั้งหกมีสมควรแก่เวลาอายุแต่ละลายของลูกสาวแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวขึ้นที่บ้านกุศะทุกๆคนเมื่อคิดดูแลว้ววงตระกูลฝ่ายมารดาก็ดีฝ่ายปิดาก็ดีของข้าพเจ้าผู้เจ้าของประวัตินี้ถ้านับทั้งลูกๆหลานๆเหรียญๆของท่านทั้งหลายเหล่านี้รวมกันเข้าทั้งผู้ตายและผู้เหลือที่สืบไปเป็น ท, ทอดๆแล้ว จะเป็นคนกี่ร้อยครอบครัวถึงแม้ว่ามนุษย์เทวดามารพรมตลอดถึงสิ่งที่เป็นรูปประคันนา ม, มขันจะเกิดขึ้นแล้วแปรปลุนและดับไปในสัพพะไตยโลกธาตุก็จริงถึงกันนั้นก็ยังยัดเยียดเบียดเสียดกันอยู่พร้อมทั้งสัพพะกองทุกข์ด้านกิเลสภายในด้วยและรัชการที่หกก็มีพลเมืองในประเทศไทยเราสิบสี่ล้านเศษเท่านั้นแต่ปัจจุบันที่กําลังเขียนอยู่นี้ สีล้านแล้วหรือไหนสังขารท่านปวงที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองก็ดีเกิดขึ้นอยู่ทุกการแปรปรวนอยู่ทุกการดับไปทุกการนอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นน อ, อ น, น, น, นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากสังขารไม่มีอันใดจะดับไปนอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเป็นทุกข์ นอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะแปรปลวนและดับไปนอกจากอนิจจังก็ไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปลวนและดับไปนอกจากอนิจจังก็ไม่มีอันใดจะเป็นอนิจจังและก็ไม่มีอันใดจะเป็นทุกขังนอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะดับไปทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละแปรปรวนทุกข์เท่านั้นแหละดับไปทุกข์ก็ดีอันิจจังก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันจะปารบอันิจจังโยงมหาทุกขังจะโยงทุกขังมหาอันิจจังกลับไลกลับมาก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าเข้าใจว่าเป็นความหมายคนละอันแล้วเรียกว่า หลงบัญญัติและปัญญาก็ยังไม่ชัดแจ้งไม่พ้นความสงสัยในอนิจจังและทุกขงังส่วนอนัตตาเป็นธรรมอันลุ่มลึกในพระพุทธศาสสนามากมายนักถ้าขาดปัญญาญานอันของแท้แล้วก็มักจะยืนยันว่าสูญจนเลยเขตเลยแดนเลยเถิดไปเมื่อไม่รู้แจ้งชัดในอนัตตาแล้วฉไหนจะไม่ติดอยู่ในอัตตาด้วยชไหนจะไม่ติดอยู่ในอนัตตาด้ว ย, น, ย, น, น, ตตวยนักภาวนาเกิดทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันในเรื่องอนัตตา จนหน้าดำหน้าแดงจนกลายเป็นสงครามกิเลสอนัตตาเป็นส่วนมากอัตตาอนัตตาไม่ใช่ไฟกิเลสไม่ใช่ไฟทุกไม่มีพิษสงอันใดจริงตามสมมติจริงตามปรมัาณเท่านั้นเพราะปรมัาณเป็นธรรมายลุ่มลึกของความเป็นจริงอันลึกซึงมีทั้งเกิดทั้งดับและมีทั้งไม่เกิดไม่ดับรวมกันอยู่ถ้าเทียบกับอาหารก็มีทั้งก้างและเนื้อและกระดูกรวมอยู่ในถ้วยหรือในชามหรือในหม้ออันเดียวกัน นักวิจัยไม่พิสูจน์ให้ชัดในกรรมฐานปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมที่ตนตั้งไว้มั่นโดยเฉพาะย่อมถูกต้มโดยความหลงไหลของตนเองที่ดองอยู่ในขันธทสัมดาลที่ล้อมรอบอยู่ในเมืองจิตเมืองใจมรดกที่อยากได้พิจิตตสังขารมาปาลบประวัติต่อไปข้าพระเจ้าเกิดวันที่ส9บเก้าปีกุนเดือนกุมภาพันขึ้นสามค่าวันจันเวลาตอนเช้าพศสองสีห้าสี่ นี่เป็นโยมมารดาบอกอย่างชัดแจ้งธรรมดาของโยมมารดาข้าพเจ้ามีนิสัยชอบจดจำลูกทั้งแปดคนเกิดออกจากอุทธรท่านจำวันเกิดข้างขึ้นหรือข้างแลมเดือนปีได้ทุกทุกคนไม่สุมเดาและไม่เก้อเขินเลยแปลกแต่ไม่รู้วันที่คงจะเป็นเพราะท่านไม่รู้หนังสือบ้านที่ข้าพเจ้าเกิดคือบ้านกุดสะหมู่ที่สองตบลกุฎจักรเภอมาแข้งจังหวัดอุดรธานีมนตลอุดร สมัยนั้นเป็นมนทลแต่ไม่ตรงกับไปสุทธิเมื่ออุปสมบทเพราะเมื่ออุปสมบทเขียนหมู่ที่ตำบลอำเภอตามปัจจุบันที่อุปสมบทแล้วก็วิทยาฐานะป .2 เท่านั้นอาชีพทำนาตลอดทั้งโคตบิดาคือนายคูณนามสกุลสเวีวงศ์มานดาชื่อนางแพงบ้านอำเภอจังหวัดมนทลเขียนไว้แล้วในหน้านี้ขณะที่มีอายุหกปีได้ถามบิดาว่าพ่อ บ้านของเรามีบนหรือไม่พ่อตอบว่ามีถามต่อไปว่ามันเป็นก้อนเหลืองๆ ห, หรือพ่อพ่อตอบว่าเออมันเป็นก้อนเหลืองๆนั่นแหละลูกพ่อตอบลูกแล้วพ่อก็เลยยิ้มอยู่และเวลาโอกาสได้ไปนาพี่สาวทั้งหลายก็ดำนาอยู่ส่วนตนก็เล่นอยู่ตามนาที่คลาดแล้วเตียนเตียนใกล้ๆนั้นบิดาปาลบเย็นๆขึ้นพร้อมทั้งชี้มือว่านาตอนนี้จยากให้ลูกคนนั้นคนนี้ ส่วนบักลาจะให้แถวนี้ไปตอบพี่สาวและบิดาว่าไม่เอาหรอกพี่สาวพูดต่อไปว่าไม่เอามึงจะไปเอาที่ไหนตอบพี่สาวว่านั่นวัดข้านั่นนาข้าแล้วชี้ไปทางวัดเพราะวัดก็อยู่ใกล้นาบ้านเมื่อบิดาได้ยินแล้วก็ยิ้มและก็ได้เคยไปเล่นในวัดเป็นนิดในฤดูแล้งเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดพิสุนุ่มสรมเนรหนุ่มท่านชอบพูดชอบถามด้วย เมื่อได้ยินท่านท่องหนังสือก็ดีเทศตามใบลานก็ดีเป็นสำเนียงอีสานฟังแล้วจับใจ